เการทำอาณาปณะสติวงเล็บเปิดเจมีนาคม25งพันห้าเอ็ดงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที19บเงเล็บปิดส่วนมากทำอาณาปณะสติทำแล้วมันคลาดเคลื่อนไปเราคิดว่าอาณาปณะสติหมายถึงว่าให้มีสติไปอยู่กับลมหายใจอย่าไปมองแค่นั้นอาณาปณะสติหมายถึงว่าให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นตัวสําคัญอยู่ที่สติไม่ใช่อยู่ที่ลมอย่าไปจ้องใส่ลม ให้รู้ลมหายใจรู้เล่นๆไปแล้วก็คอยฝึกสติเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปอันนี้ใช้ได้กับทุกสำนักนะใครฝึกพองยุบก็ใช้ได้ดูพองยุบก็ดูไปดูท้องพองท้องยุบไปฝึกให้มันมีสติเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปใจของเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าต้องดูอย่างนี้อย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ลมนิ่ง ดูท้องพองยุบก็เห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบเห็นร่างกายมันกระเพื่อมพูดง่ายๆเห็นร่างกายมันกระเพื่อมอย่าให้จิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหัดรู้รูปโดยการที่แยกนามออกมาการแยกรูปแยกนามนี่เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญามันก็คือวิธีการเรียนที่จะสลายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปตัวเราเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มก้อนของาธาตุของขันมารวมตัวกันฉะนั้นเราต้องหัดเริ่มแยกาธาตุแยกขัน เบื้องต้นก็แยกกายกับจิตออกจากกันก่อนเช่นเราดูลมหายใจเราก็เห็นเลยร่างกายก็หายใจไปจิตเป็นคนดูอยู่ตังหากร่างกายพองไปยุบไปนะร่างกายกระเพื่อมไปร่างกายยกเทา้าย่างเท้าไปจิตมันเป็นคนดูอยู่ตังหากค่อยๆฝึกแยกกายกับจิตออกจากกันก่อนพราะแยกกายกับจิตออกจากกันได้แล้วเนี่ยมันถึงจะเจริญปัญญาในขั้นต่อไปได้ถึงจะเห็นได้ว่ากายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุ เป็นแค่รูปธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันเนี่ยฝึกไปจนกระทั่งเห็นทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราก็ได้เป็นพระโสดาบันฉะนั้นภาวนาทําแบบไม่รู้ทิศทางเราศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านให้หายใจก็หายใจไปเรื่อยไม่รู้ว่าหายใจไปเพื่ออะไรหวังว่าวันหนึ่งจะสงบและห ว, วังว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาขึ้นเอง สงบแล้วไม่เกิดปัญญาขึ้นเองหรอก